ต่อไปนี้จะพูดธรรมะเพื่อประดับสติปัญญาบารมีเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสั่งสัจจคือสัจ ธ, ธรรมความจริงเป็นความจริงสาคัญ เป็นความจริงที่มีอยู่ในจิตใจของสร์โลกทุกๆคนทุกๆตัวก<ค><ค>็จะปดเปื้องความทุกที่พระเจ้าทรงตรัสรูน้นี้เรียกว่าอริยสัจสี่มี ความจริงอันประเสริฐสี่ประการด้วยกันคือหนึ่งคือทุกสองสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์สามนิโรธการดับของทุกข์และสี่มรควิธีทางที่จะนำพาไปสู่การดับของความทุกข์ สัจะทําความจริงสี่ข้อนี้มีกิจที่จะต้องทำกันถ้าอยากจะทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจหมดไปเป็นกิจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำสำเร็จแล้วจึงได้ทรงบรรลุปลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้ว กิจข้อที่หนึ่งก็เรียกว่าทุกทุกต้องกาหนดรู้ต้องศึกษาต้องรู้ว่าอะไรคือความทุกข์สมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ก็ต้องละนิโรธคือการดับของความทุกข์ก็ต้องทาให้แจ้งมรค คือทางที่นำไปสู่การดับของความทุกข์ต้องเจริญให้มากต้องเจริญให้สมบูรณ์นี่คือกิจสี่ข้อกิจทั้งสี่ประการนี้พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบด้วยพระ อ, องค์เองและได้ส่งปฏิบัติภารกิจทั้งสี่ประการนี้อย่าง คอท่วนบริบูรณ์จึงทาให้พระอง์ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพระองค์ทรงตรัสว่าทุกที่ต้องกาหนดรู้ที่ต้องศึกษาต ถ, า, ถาคตได้กาหนดรู้แล้วโดยไม่มีใครบอกก่อนบอกให้ทำมาก่อนสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์ ตถาคตได้ที่ต้องละตะถาคตได้ละแล้วโดยที่ไม่มีใครบอกมาก่อนรู้มาก่อนนิโรดการดับของความทุกข์ตถาคตได้ทำได้ให้แจ้งแล้วโดยที่ไม่รู้มาก่อนโดยที่ไม่มีใครมาบอกมักที่ต้องเจริญให้สมบูรณ์ ตถาคตได้เจรินอย่างสมบูรณ์แล้วนี่คือกิจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญในการที่จะปลดเปื้องดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจการกาหนดทุกการศึกษาว่าทุกนี้คืออะไรก็ต้องศึกษาว่า ทุ ก, ก็คือการเกิดทุกก็คือการแก่ทุกก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยทุกก็คือความตายทุกก็คือการพัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงโดยสรุปก็คือทุ ก, ก็คืออุปทานในขันห้าความยึดมั่นถือมั่น ในรูปเวทนาสัญญาสังขารกุญญาณนี่คือความทุกข์ถ้ามีการเกิดแล้วก็ต้องมีความทุกข์พอเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่ความแก่นี้ก็คือความทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือความทุกข์ความตายก็คือความทุกข์ การพัดผ่าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงก็คือความทุกข์เพราะว่ามีความยึดมั่นถือมั่นมีความผูกพันอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แล้วก็หลังจากทรงรู้ว่าทุกข์คืออะไรแล้วก็ทรงศึกษาต่อไปก็ทรงค้นพบว่า ความทุกข์นี้เกิดจากสมุทัยสมุทัยคืออะไรสมุทัยก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหากามตัณหาก็คือความอยากในกามอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตัณหาก็คือความอยากมีอยากเป็นวิภวะตัณหา ก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากทั้งสามประการนี้เวลาปรากฏขึ้นมาภายในใจก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความอยากทั้งสามประการนี mm. ้ก็จะเกิดเช่นเวลาแก่เวลาเจ็บไข้แล้ป่วยเวลาตายก็จะเกิดวิภวตัณหาขึ้นมา คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปพอเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจเวลาเราเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายเวลาที่เราต้องพัดภาคจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารัก เราจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะว่าเรายังมีความอยากไม่อยากมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พลาดพลากอยากกันถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตาย ไม่ทุกข์กับการพัดภากจากกันเราก็ต้องละตัณหาคือความอยากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดภาคจากกันถ้าละได้เราก็จะดับความทุกข์ได้เราก็จะทำนิโรธให้แจ้งได้นิโรธก็คือการดับของความทุกข์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราละ ตันหาความอยากตั้งสามนี้ได้ละกามะตันหาความอยากในการได้ละภวะตันหาความอยากมีอยากเป็นได้ละวิภวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้และวิธีที่จะทําให้เราละกามะตันหาภวะตันหาละวิภวะตันหานี้ เรียกว่ามัคมัค ก, ก็คือทางหรือเครื่องมือที่จะทําให้เราละกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวตัณหานี้ได้มัคนี้ก็เป็นเหมือนกับเครื่องมือที่เราใช้ซ่อมรถยนต์เวลายางแตกถ้าเราต้องเปลี่ยนยาง เราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมาใช้ในการเปลี่ยนยางถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราจะทำไม่ได้ถ้ามีมือเปล่าเราต้องมีเครื่องมือเช่นมีแม่แรงมีที่ขันน็อตที่ไขคลาย น, อน็อตออกมาถ้ามีแม่แรงมีที่คลาย น, อน็อตเราก็สามารถยกล้อให้ลอยขึ้นแล้วก็ขัน น, อน็อตคลาย น, อน็อตออกมา แล้วก็เอาอยางที่แตกออกมาได้เอาอยางใหม่ใส่เข้าไปขันน็อตแล้วก็ปล่อยให้ล้อรถเอาแม่แรงออกล้อรถก็จะลงกับสู่พื้นดินได้ต้องมีเครื่องมือการที่เราจะละการมตรทนาภาวะตัหาแลววะวิภาวตัหาได้ เพื่อที่จะทำให้นิโรธปรากฏขึ้นมาเราต้องมีเครื่องมือมีมรมรคมรรคนี้ก็คือมรรคที่มีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังก ป, ประสัมมากรมัมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาสมาธินี่คือเครื่องมือที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาต้องหามาให้ได้เหมือนกับต้องไปหาเครื่องมือมาเปลี่ยนยางรถยนต์ถ้าเราไม่มีเครื่องมือเวลาลดยางแต่เราก็ต้องโทรศัพท์เรียกช่างมาเพราะช่างมีเครื่องมือ พอช่างมาช่างก็จะมาเปลี่ยนยางให้กับเราได้พวกเราถ้าไม่มีเครื่องมือเราก็ต้องสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่รู้จักวิธีสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาเราก็ต้องเข้าหาผู้ที่มีเครื่องมือนี้แล้วผู้ที่ได้สร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็ศึกษาจากท่านเหล่านั้นเราก็จะได้ รู้จักวิธีสร้างเครื่องมือขึ้นมาพอเรารู้แล้วแล้วเราเอามาสร้างเดี๋ยวเราก็ได้เครื่องมือขึ้นมาเราก็จะได้มรรคที่มีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิ นี่คือภารกิจของเราทั้งสี่ประการนี้การที่จะทําภารกิจทั้งสี่ประการนี้ต้องทําที่มักเป็นหลักต้องเจริญมักต้องหาเครื่องมือมาถ้ามีเครื่องมือแล้วเราก็จะเห็นทุก์รู้ทุกได้ถ้าเรามีสัมมาทิสติสัมมาสังกปร์คือมีปัญญา เราก็จะเห็นว่าทุกนี้ก็คือการเกิดการแกร่การเจ็บการตายการพักผจากกันการยึดมั่นถือมั่นในชีวิต จ, จิตใจคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญานนี้เองขั้นแรกเราต้องศึกษาให้เกิดสัมมาสติสัมมาสมาธิพอเรารู้แล้วเราก็จะได้ ศึกษาต่อไปว่าแล้วอะไรที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าความทุกข์ก็เกิดจากความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นพอเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดการกระทำตามมาอยากได้รูปเสียงกลิ่นรส ก็ต้องไปหาถ้าไปหาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดเรื่องขึ้นมาเช่นไปหาด้วยการลักทรัพย์ด้วยการฆ่าด้วยการประพฤติผิดประเวณีอันนี้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าหาด้วยวิธีที่ ไม่ไม่ไม่เกิดทุกข์ก็ต้องหาด้วยวิธีที่เรียกว่าสัมมากรรมโตสัมมาวาจาคือต้องหามาด้วยการไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัวเองนี้ไม่พูดปดไม่โกหกหลอกลวงไม่ทำอาชีพที่วิชอบทั้งหลายทำ อาชีพที่ชอบที่เรียกว่าสมมามอาชีวะแล้วถ้าเราอยากที่จะละตัณหาความอยากทั้งสามเพราะเห็นว่าความอยากทั้งสามนี้ทำให้เราต้องเล่นหลนต้องคอยหามาอยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ เราก็ต้องมีสัมมาวายาโม О. คือต้องมีความเพียรชอบความเพียรชอบคืออะไรก็คือความเพียรที่จะเจริญมรรคคือสัมมาสติสัมมาสมาธิส ม, มาทิฏฐิและสั ม, มาสังกัปโปเพื่อให้ใจนี้ตั้งมัน่นเมื่อใจมีความตั้งมั่นแล้ว ใจจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอพอมีความอิ่มมีความพอแล้วถ้าใช้ปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรประพิจารณาก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่อยากได้ไม่เที่ยมมีการเกิดแล้วต้องมีการดับไปได้มาแล้วก็ต้องหมดไป งั้นไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเกินเ ไ, ได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดไปความสุขที่ได้มาก็หมดไปความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเวลาที่ต้องเกิดการสูญเสียเช่นเกิดการพัดพากจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไปถ้าเห็นด้วยปัญญาเ อ, อเห็นว่าความจริง ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ให้ความสุขได้เพียงชั่วคราวแล้วก็ให้ความทุกข์หลังจากที่สิ่งที่ให้ความสุขนั้นจากไปหมดไปถ้าเห็นอย่างนี้แล้วปัญญาก็จะไม่อยากจะได้อะไรก็จะละ กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาได้พอละวิก า, มารมะตัณหาภ ว, วะตัณหาวิภาวะตัณหาได้นิโรธคือการดับของความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมานิโรธนี้จะดับมากดับน้อยก็อยู่ที่การละก า, มารมะตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา ถ้าดับได้เพียงบางส่วนนิโรธก็จะดับนิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นเพียงบางส่วนแต่ถ้าละกามัตตันหาภาวะตันหาละวิภวะตันหาได้หมดไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยนิโรธก็คือความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาเต็มที่เลยเป็นเหมือนพระจันทร์เต็มดวง ถ้าละได้ครึ่งหนึ่งก็ได้พระจันทร์ครึ่งดวงถ้าละได้ทั้งหมดก็จะได้พระจันทร์เต็มดวงใจนี่ถ้าละได้ครึ่งหนึ่งก็ยังมีความทุกข์ก็จะละความทุกข์ได้ครึ่งหนึ่งดับความทุกข์ได้ครึ่งหนึ่งถละตัณหาได้หมดเลยก็จะดับความทุกข์ได้หมดทําให้ทํานิโรธให้แจ้งได้เต็มที่เหมือนพระจันทร์ เหมือนจันเป็นเต็มดวงนี่คือภารกิจในอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาโดยที่ไม่มีใครสั่งไม่มีใครสรั่งไม่มีใครสอนมีเพียงพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะมีความรู้ความสามารถที่จะเข้าถึง กิจในอริยาาสัจสี่นี้ได้เข้าถึงในอริยสัจสี่แล้วก็ปฏิบัติกิจในอริยาาสัจสี่ได้อย่างสมบูรณ์จึงทําให้พระองค์ตัดสั้เป็นพระอหรหันต์ตัสมาสามพุทธเจ้าขึ้นมาส่วนผู้ที่ได้น้อมเอาคําสอนของพ่อพุทธเจ้าน้อมเอาภารกิจทั้งสี่ประการในอริยาาสัจสี่นี้มาบําเพ็ญ มาปฏิบัติจนครบถ้วนได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ผู้ผู้บุคคลเหล่านั้นก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์สาวกไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าคําว่าอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้ที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้ดับความทุกข์ทั้งหมดภายในใจได้ด้วยตนเอง แต่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำสอนแล้วนำเอาไปปฏิบัติจะบรรลุเป็นพระอาหารหันตระสาวกเพราะคำว่าสาวกนี้ก็แปลว่าผู้ฟังนั่นเองคือต้องได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจของตนให้หมดไปได้ความทุกข์นี้มีอยู่ภายในใจของพวกเราของสัตว์โลกนี้ มาตลอดเวลาแต่พวกเราไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีวันที่จะรู้จักวิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆภายในใจของเราได้เลยเราก็จะอยู่กับความทุกข์นี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างที่เราได้อยู่มานับจำนวนเวลาไม่ถ้่วแล้ว นับจำนวนพบชาติไม่ท้วนแล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ชาตินี้เป็นชาติที่มหัศจรรย์ของพวกเราที่เราได้มาพบกับผู้รู้ผู้ฉลาดผู้รู้พระอริยสัจสี่ด้วยตนเองคือพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ได้รู้จากวิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ชาตินี้เป็นถือว่าเป็นชาติที่วิเศษอย่างยิ่งมหาจรรย์อย่างยิ่งเพราะนานๆจะได้พบกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งและพบในขณะที่ได้เป็นมนุษย์ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เป็นมนุษย์ เช่นเป็นสุนัขอย่างสุนัขที่มาอยู่อาศัยวัดมาอาศัยข้าววัดกินอย่างนี้ถึงแม้จะได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่ได้มีไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนานอกจากอาหารและที่ปลอดภัยที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยเท่านั้นแต่จะไม่สามารถรับรู้เรื่องของพระอริยสัจสี่ได้ เพระเดรัจฉานจะไม่เข้าใจภาษาของมนุษย์นั่นเองหรือถ้าเข้าใจก็เป็นเข้าใจแบบหยาบๆแบบง่ายๆเช่นเวลาเรียกมันให้มากินข้าวมันก็จะรู้เวลาไล่ให้มันไปมันก็จะรู้แต่จะสอนมันว่าทุกอยู่ที่การเกิดการแก่การเจ็บการตายนี้มันจะไม่รู้ ทุกเกิดจากตามาตัาหาภวะตันหา ว, าวิภวะตันหามันก็ไม่รู้การดับของความทุกจะดับได้ก็ต่อเมื่อได้ละกามตัาหาภวะตันหา ว, าวิภวะตันหามันก็จะไม่รู้และเครื่องมือที่จะใช้ในการละภวะกามตัาหาภวะตันหาและวิภวะตันหาก็คือมรรคที่มีองค์แมันก็ไม่รู้นั้น สุนักหรือัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในวัดจึงไม่สามารถได้รับประโยชน์ขั้นสูงสุดได้เหมือนมนุษย์มนุษย์นี่เมื่อได้เข้าวัดแล้วได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนได้ยินได้ฟังเรื่องของพระอริยสัจสี่เรื่องของภารกิจในพระอริยสัจสี่แล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ก็จะสามารถ บรรลุเป็นพระอาหารหันต์สาวกขึ้นมาได้ทำนิโรธให้แจ้งได้จเจริญมรรคให้เต็มที่ได้เมื่อจเจริญมรรคได้เต็มที่ก็จะละสมุทัยได้อย่างเต็มที่พอใจะเห็นทุกอย่างเต็มที่เมื่อเห็นทุกอย่างเต็มที่เห็นว่าเกิดจากความอยากก็จะละความอยากได้อย่างเต็มที่ พอละความอยากได้อย่างเต็นที่ก็จะได้นิโรธคือการดับของความทุกข์อย่างเต็นที่ต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นน่าต้องมาเจอ พ, พบกับพระพุทธศาสนาแต่ถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วกลับไม่สนใจหันหลังให้กับพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับเวลาที่เทน้าใส่ไปในแก้ว แต่ความแก้วเอาไว้ต่อให้เทน้าเข้าไปมากน้อยเพียงไรน้าก็จะไม่อยู่ในแก้วเลยแม้แต่หยดเดียวเพราะว่าความแก้วเอาไว้ไม่ได้หงายแก้วถ้าหงายแก้วแล้วเทน้ำเข้าไปเท่าไหร่ก็จะอยู่ในแก้วทั้งหมดเทไปจนเต็มแก้วน้าก็จะอยู่ในแก้วได้เต็มแก้วฉะนั้นใดถ้าเกิดมา เป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วแต่ไม่สนใจที่จะศึกษาฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะได้รับรู้ความจริงของพระอริยสัจสี่และไม่สนใจที่จะปฏิบัติภารกิจในอริยสัจสี่นี้ก็จะไม่ได้มีมุขที่จะมาละตันหาความอยากต่าง เพื่อทำให้นิโรธการดับของความทุกข์ปรากฏขึ้นมาดังนั้นถึงแม้ว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ยังไม่พอเพียงต่อการที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันตาสาวกขึ้นมาถ้าอยากจะเป็นพระอาหารหันตาสาวกก็ต้องสนใจฝ่ายธรรม สนใจที่จะศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรที่จะได้หันชีวิตให้เข้าสู่การปฏิบัติกิจในอริยสัจสี่คือมาศึกษามาดูทุกข์แล้วก็มาละต้นเหตุของความทุกข์ มาทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยการเจริญมรรคที่มีองค์แปดนี้ดังนั้นภารกิจที่เราต้องทำกันหลังจากที่เรารู้แล้วว่าการที่เราจะดับทุกข์ได้การที่จะทำนิโรธให้แจ้งขึ้นมาได้นั้นต้องอยู่ที่การละตันหาทั้งสาม คือการมะตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาการที่จะละได้ก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะละนี้ก็เรียกว่ามรที่มีองค์แปดต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรก็คือต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะไปสั่งให้เขา ไม่ให้ความทุกข์กับเราที่จะไปสั่งให้เขาให้ความสุขกับ เ, เราเพียงอย่างเดียวเราส um ั่งไม่ได้ลองไปสามคู่คู่รักของเราดูก็ได um> ้ให้เขารักเราทุกวันให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเวลาเราสั่งไม่ได้บางเวลาเขาก็รักเราบางเวลาเขาก็ไม่รักเราบางเวลาเขาก็อยู่กับเราบางเวลาเขาก็ไม่อยู่กับเรา เวลาเขาไม่รักเราเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาเขาไม่อยู่กับเราเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ได้ไปอยากให้เขาต้องรักเราไปตลอดต้องอยู่กับเราไปตลอดเวลาเขาไม่รักเราเราก็จะไม่ทุกเวลาเขาไม่อยู่กับเราเราก็จะไม่ทุกนี่เราจะต้องมีมรรคคือปัญญา ให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสือ่อมมีเกิดมีดับเราไปห้ามไม่ได้ไปสั่งไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องอยากไปมีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความทุกข์เกิดจากความอยากของเราเองเช่นร่างกายของเรา เราก็ห้ามเขาไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้แต่เราก็ยังมีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่ไม่เชื่อก็ลองไปดูคนที่พยายามเสริมสวยทำสัญกรรมตกแต่งต่างๆก็เพราะว่ายังไม่อยากแก่คนที่หาอยู่ขายาหาอาหารชนิดต่างๆมาบารุงบำาเรอมารักษามาป้องกันเพื่อจะ ป้องกัน ร, รักษาไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ป้องกันไม่ให้ร่างกายตายแต่ไม่ว่าจะหาสรรหาอาหารหายาหาวิธีการต่างๆมาบำรุงบำรเลดูแลรักษาร่างกายอย่างไรก็ตามก็ไม่มีวันที่จะไปยับยั้งความเจ็บไข้ได้ป่วยยับยั้งความตายได้ในที่สุดก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ในที่สุดก็ต้องตายกันไปผู้ที่มีปัญญาก็จะเห็นว่าเป็นการป่วยการเป็นการเสียเวลาเปล่าๆอย่าไปทำให้มันเหนื่อยยากเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้มาทำสิ่งที่เราทาได้กันดีกว่าคือทำใจของเราไม่ให้ทุกข์กับความแก่ไม่ให้ทุกข์กับความเจ็บไม่ให้ทุกข์กับความตายจะดีกว่าก็คือ สร้างสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรนี้ขึ้นมาถ้าเรามีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรแล้วเราจะมีเครื่องมือที่จะหยุดความอยากได้ละความอยากได้จะทำให้ใจของเรา ไม่ทุกกับความแก่ไม่ทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกกับความตายอันนี้แหละเป็นวิธีที่แก้ปัญหาที่ถูกจุดคือแก้ปัญหาที่ต้นต่อต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เองไม่ใช่ไปแก้ที่ร่างกายด้วยการบำรุงบำรเลรรักษาด้วยหยุกด้วยยาด้วยอาหารด้วยวิธีการใยต่าง สินค้าในตลาดนี้มีเต็มไปหมดมีไว้เพื่อบำรุงบำเรเลอรรักษาร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่มีมากน้อยเพียงไรก็เท่านั้นก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายกันอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ทุกข์กันเหมือนเดิมสู้ไม่ทุกข์ไม่ดีกว่าเลย ในเมื่อเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ได้ความจริงคือความทุกข์ว่าเป็นความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นมาจากการเกิดของเราดีดเองถ้าเราไม่อยากจะแกะ่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายเราก็อยากกลับมาเกิดเสียเท่านั้นก็หมดปัญหาการที่ไม่อยากจะกลับมาเกิดได้ก็ต้องไม่มีความอยากนี้เองคดังนั้น ถ้าละละความอยากได้ก็เท่ากับยิงนกทีเดียวได้นกสองตัวยิงนกด้วยกระสุนเพียงลูกเดียวได้นกสองตัวคือถ้าเราละปัญหาได้เราก็จะละความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้แล้วเราก็จะยุติการเกิดได้เมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตาย เมื่อไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็จะไม่มีความทุกข์ทุกข์จึงไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นนี่คืออ่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ในพระอริยสัจสี่พระองค์จึงไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปก็ทรงหยุดความอยากได้หมดแล้ว ความอยากนี้เป็นเหมือนเชื้อไฟเชื้อเพลิงถ้าไม่มีเชื้อไฟไม่มีเชื้อเพลิงแล้วไฟก็ต้องดับไปเหมือนกับเทียนที่เราจุดไว้พอไม่พอต้นเทียนไม่มีเหลืออยู่แล้วไฟก็ต้องดับไปเพราะต้นเทียนนี้เป็นเชื้อของไฟฉันใดถ้าเราปฏิบัติจเจริญมรรคที่มีองค์ป่าได้ครบบริบูรณ์เราก็จะ ละปัญหาทั้งสามนี่ได้จนหมดไปจนหมดสิน้นเมื่อละได้แล้วความทุกข์ภายในใจก็จะหมดไปแล้วก็การเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปนี่คือเรียกว่ากิจนอริยศาสตร์สีกิจนักิจนพระพุทธศาสนาอยู่ที่การเนี่ยจเจริญมักเพื่อมาละ เพื่อมาศึกษาเพื่อให้เห็นให้แจ้งว่าทุกข์คืออะไรแล้วมาละตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปเพื่อทำให้นิโรธปรากฏขึ้นมาเกิดจากการบำเพ็ญมรรคที่มีองค์แนี้มรรคที่มีองค์8ปดนี้พระองค์ทรงสอนให้แก่มรดานักบวชทั้งหลายแต่เวลาที่ทรงสอนให้แก่ ข่าวละวาดยากโ ย, ยงนี้ทรงสอนทรงเพิ่มมากขึ้นมาอีกข้อหนึ่งก็คือฐานทานนี้เป็นเหมือนกับเป็นอุปสรรคการไม่ทําทานนี้จะเป็นอุปสรรคขวางกันในการเจริญมากที่มีองค์แปดถ้ายังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองยังยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ ยังอยากได้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอยู่ก <c oughs> ็จะไม่มีเวลา <c oughs> ไม่มีกำลังที่จะมาเจริญมรรคที่มีองค์แปดนี้ได้ถ้าอยากจะเจริญมรรคที่มีองค์แปดจำเป็นจะต้องสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการหาทรัพย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการที่จะต้องมาคอยดูแลรักษาทรัพย์ ถ้าทำทางได้อย่างเต็มที่แล้วสละทรัพย์สมบัติได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะออกไปอยู่ไปบําเพ็ญมรรคที่มีองค์แปดได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญทรงสละทรัพย์ทรงสละพระราชสมบัติทั้งหมดเพื่อจะได้เสด็จออกจากพระราชวังเพื่อจะได้ไปเจริญมรรคที่มีองค์แปดได้อย่างเต็มที่ หลังจากที่เสด็จออกจากพระราชวังไปแล้วก็ทรงบำเพ็ญเจริญมรรคอยู่หกปีด้วยกันจนมรรคมีกำลังเต็มที่มีกำลังสมบูรณ์ก็สามารถละตันหาทั้งสามให้หมดไปจากใจได้สามารถทำนิโรธคือการดับของความทุกข์ให้แจ้งได้อย่างเต็มที่ จึงได้ส่งหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปหลังจากที่พระองค์ได้ส่งบรรลุแล้วก็ส่งนำเอาความรู้อันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ได้ยินได้ฟัง ก็ทำคำสอนอันนี้พอน้อมเอาไปปฏิบัติแล้วก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆภายในใจได้หมดไปเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าการผลที่ได้รับจากการปฏิบัติของพระอรหันตสาวกกับของพระพุทธเจ้านี้ เท่ากันคือการดับการดับของความทุกข์ภายในใจนี้ดับได้หมดเท่าเทียมกันถ้าเป็นคนไข้ก็รักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะรักษาด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นรักษาให้อย่างพระพุทธเจ้านี้ทรงรักษาด้วยตนเองหายามากินเอง กินจนโรคภัยไข้เจ็บในใจหายไปหมดคือความทุกข์หายไปหมดแต่ภาษาโลกนี้ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้ยาเป็นผู้สอนบอกวิธีหายามารับประทานพอรู้จักวิธีแล้วก็ไปหายามารับประทานพอรับประทานยาแล้วก็หายจากโกรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งหาย การบริสุความบริสุทธิ์ของใจของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสสาวกนี้บริสุดเท่ากันหมดถ้าจะต่างกันก็อยู่ที่ความรู้ความฉลาดความสามารถที่จะนำเอาพระธรรมคำสอนนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นพระพุทธเจ้านี้ทรงมีความรู้ความสามารถมากกว่าพระสาวกทั้งหลาย ทรงสามารถสั่งสอนให้คนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ง่ายกว่าภาษาวกทั้งหลายภาษา voke แต่ละพระองค์นี้ก็มีความสามารถในการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะไม่เท่ากันบางท่านก็มีความสามารถมากบางท่านก็มีความสามารถน้อยอย่างภาษาริบุตรนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถที่สูงสุด ในบรรดาพระสาวกทั้งหลายในการเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้อื่นลองจากข้อพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวนอกนั้นแล้วไม่มีใครจะมีความฉลาดความสามารถเท่ากับภาษารีบุตรก็เหมือนกับเวลาที่นักเรียนนักศึกษาไปเรียนกับครูบาอาจารย์จะรู้ว่าครูบาอาจารย์บางคนนี้สอนและทําให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย ครูบาอาจารย์บางคนสอนแล้วฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเข้าใจได้ยากก็เพราะความสามารถของครูของอาจารย์ที่จะเอาความจริงนี้มาแสดงให้ฟังให้ให้รู้ให้เห็นนี้มีความสามารถไม่เท่ากันนั่นเองถ้าได้พบกับครูบาอาจารย์ที่มีความฉลาดมีความสามารถในการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะมาก โอกาสที่จะได้เรียนรู้ก็จะได้เรียนรู้ได้ได้มากและได้ง่ายและได้รวดเร็วถ้าไปพบครูบาอาจารย์ที่สอนไม่เก่งก็จะเรียนรู้ได้น้อยและเรียนรู้ได้ช้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับกันถ้าได้เจอท่านที่ฉลาดก็เป็นบุญ ท่นได้เจอที่ท่านไม่ค่อยจริญก็เป็นบุญเหมือนกันเพียงแต่เป็นบุญน้อยกว่าเพราะว่าการได้พบกับพระอาหารหันต์แต่ละรูปนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากเพราะว่าจะได้ยินได้ฟังเรื่องการปฏิบัติภารกิจในพระอริยสัจสีน่นี้แล้วก็จะสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้เพียงแต่ว่าจะง่ายหรือจะยากจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองน ดังนั้นหน้าที่ของพวกเราหลังจากที่เราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้ยินได้ฟังเรื่องของพระอริยสัจสี่แล้วได้ยินได้ฟังเรื่องภารกิจในอริยสัจสี่แล้วสิ่งที่เราจะต้องดำเนินต่อไปก็คือต้องปฏิบัติกิจในภาระปฏิบัติภารกิจในอริยสัจสี่นี้ให้ครบให้สมบูรณ์ คือทุกต้องศึกษาสมุทัยคือตัณหาความอยากต้องละนิโรธคือการดับของความทุกต้องทาให้แจ้งมักที่เป็นเครื่องมือในการละตัณหาความอยากในการทำนิโรธให้แจ้งในการศึกษาความทุกก็ต้องเจริญให้สมบูรณ์ถ้าเจริญได้สมบูรณ์แล้วก็จะเห็นทุกจะละสมุทัยได้ จะทำนิโรธให้แจ้งได้ เ, เมื่อจเจริญมากได้ทำภารกิจต่างๆเหล่านี้ได้ภารกิจในในทางของพระพุทธศาสนาก็จะหมดไปงานในพระพุทธศาสนานี้มีวันหมดเมื่อบรรลุแล้วทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำภารกิจอะไรต่อไปใจไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการ อะไรไม่มีความทุกข์กับอะไรอีกต่อไปเอไม่ว่าอะไรจะเกิดไม่ว่าอะไรจะดับไม่ว่าอะไรจะเป็นหรือไม่เป็นจะไม่เป็นปัญหากับใจผู้ที่ได้ปฏิบัติภารกิจในพระพุทธศาสนานี้ได้อย่างเต็มที่แล้วเป็นผู้หลุดพ้นจากปัญหาทั้งหลายหลุดพ้นจากภารกิจทั้งหลายภารกิจที่เหลืออยู่นี้ก็เป็นภารกิจที่ ไม่สำคัญคือภารกิจในการเลี้ยงดูรักรักษาร่างกายเลี้ยงได้ก็เลี้ยงไปอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปไม่เป็นปัญหาเพราะใจได้ปล่อยวางร่างกายนี้แล้วไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายนี้แล้วแล้วภารกิจอีกอันก็คือภารกิจในการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้ ทำได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ไม่ทำบางท่านมีความรู้ความความสามารถมีผู้สนใจเข้าหาศึกษาก็ต้องทำหน้าที่ไปบางท่านท่านไม่มีความรู้ความสามารถในการสั่งสอนไม่มีผู้เข้าหาไม่มีเข้าเข้าศึกษาท่านก็ไม่ต้องสั่งสอนไปไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดตาอารหันจะสั่งสอน ธรมะให้แก่ผู้อื่นหรือไม่นี้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดเป็นเรื่องของอัทยาศัยเป็นเรื่องของความสามารถของแต่ละองค์บางองค์ก็สั่งสอนมีลูกศิษย์ลูกหามากบางองค์ก็ไม่สั่งสอนหรือสั่งสอนน้อยมีลูกศิษย์ลูกหาน้อยอันนี้เป็นเรื่องของอัทยาศัยของแต่ละองค์แต่ใจของแต่ละองค์นั้นมีเท่าเทียมกันหมด คือมีความบรสิสุทธิ์ผุดผ่องปราศ จ, จากตัณหาความอยากไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องทุกกับสิ่งต่างๆทั้งหลายอย่างที่พวกเราทั้งหลายยังต้องทุกกันอยู่นี่นี่คือหน้าที่สำคัญก็คือดับความทุกข์ภายในใจตนเองเมื่อดับความทุกข์ภายในใจแล้วจะอยู่ต่อไปหรือไม่อยู่ต่อไปจะสั่งสอนผู้อื่นหรือไม่สั่งสอนผู้อื่นนี่ ไม่เป็นปัญหาใตอย่างใดแต่ไม่มีพระอาหารหันต์รูปใดจะฆ่าตัวตายถ้าฆ่าตัวตายนี้ไม่ใช่พระอาหารหันต์แล้วเป็นเพราะยังหลงอยู่ยังมีความอยากฆ่ายังมีความอยากอยู่อยากฆ่าตัวตายนี้ก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งพระอาหารหันต์นี้จะไม่มีก่อนฆ่าตัวตายอย่างเด็ดขาดแต่เรื่องจะรักษาเรื่องไม่รักษานี้เป็นไปได้ ป่าหลานบงองค์ท่านก็จะไม่รักษาไม่ไปเข้าโรงพยาบาลก็ได้ท่านก็รักษาไปตามบุญตามกรรมตามมีตามเกิดมียาอะไรก็กินมันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการเข้าตัวตายเป็นการปล่อยวางร่างกายปล่อยให้มันอยู่ไปตามบุญตามกรรมของมัน อย่างพระพุทธเจ้านี้ก็ทรงตัดสอนตัดกับพระอนุนไว้หลายครั้งว่าถ้าจะทรงอยู่ต่อไปเกินอายุแปสิบก็จะอยู่ได้แต่ต้องขวนขวายต้องดูแลรักษาต้องหาอยู่คายาต้องมีการบริหารดูแลร่างกายต่างๆมันก็จะตกเป็นภารกิจของผู้อุปถัมภ์คือพระอนุน บอกพระ อ, อนุนกี่ครั้งพระ อ, อนุนก็ไม่เอกใจไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสรงพูดเพื่อให้พระ อ, อนุนได้แสดงความพร้อมที่จะรับใช้พระพุทธเจ้าต่อไปที่จะยินดีอุปถัมภ์ดูแลรักษาร่างกายของพระพุทธเจ้าพอเมื่อพระ อ, อนุนไม่ได้แสดงเจตนารมนี้ออกมา พระพุทธเจ้าก็เลยทรงตัดสินพระทัยว่าจะไม่ดูแลรักษาร่างกายนี้ต่อไปจะปล่อยให้มันไปตามบุญตามกรรมของมันก็เลยทรงบอกพระอ น, น, นุนว่าอ น, นุนอีกสามเดือนเราจะละขันนี้แล้วสังขานี้เราปล่อยวางแล้วพอได้ยินนั้นนั้นพระอ น, นุ์ก็รีบกล่าวทูลขออาราธนาให้ทรงอยู่ต่อไป พระตจ้าก็ทรงตัด ว, ว่าอนุสายไปเสียแล้วสิ่งใดที่ตถาคตได้ได้ตั้งจิตอธิษฐานได้ตั้งใจไว้แล้วจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเมื่อได้ทรงตัดสินพระทัยว่าจะปล่อยวางขันนี้แล้วปล่อยวางร่างกายนี้แล้วก็จะไม่มีวันเปลี่ยนพระทัยต่อไปอนุนก็เลยมีความเสียออกเสียใจตอนหลังพระอนุนก็ถูกพระอารหันต ตับโทษตอนที่สามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงเสเดตจากไปแล้วก็มีการประชุมมีการสังคายนาของพระอนันต์ห้าร้อยลูกก็มีการสอบถามพระอานุ์ว่าทำไมไม่อาราธนาใหพ้พระพุทธเจ้าอยู่ต่อพระอนุนก็บอกไม่ได้เอกใจไม่ได้คิดถึงข้อนั้น พ้าอ น, นุนก็เลยถูกรับโทษว่านี่แหละถ้าอานุนขอให้พระพุทธเจ้าอยู่ป่านนี้ยังพระพุทธเจ้าก็จะอยู่ต่อต่อไปได้อีกหลายสิบปีด้วยกันนี่คือเรื่องของฟ้าอารหานหลังจากที่ท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วท่านจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ไม่มีความเสียหายกับตัวท่าน ท่านไม่ได้ไม่เสียกับการกระทาของท่านหลังจากที่ท่านได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านจะทำบุญด้วยการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะก็ไม่เป็นไม่เป็นบุญเป็นกุศลกับท่านหรือไม่ได้เพิ่มให้มีบุญกุศลเพิ่มมากขึ้นใดอย่ า, าบุญกุศลนี้มีปิดเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจแล้วเหมือนน้ำที่มีอยู่เต็มแก้วแล้วไม่ว่าจะเติมน้ำก็ไปอีกเท่าไหร่ น้ำก็จะไม่มีหวานมากไปกว่าน้ำที่มีอยู่ในแก้วนั้นถ้าไม่เติมน้ำก็ยังเต็มแก้วอยู่เหมือนเดิมถ้าเติมน้ำก็จะล้นแก้วออกไปก็จะมีน้ำเต็มแก้วอยู่เท่าเดิมอยู่นี่คือใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายจะสั่งสอนหรือไม่สั่งสอนท่านก็ไม่ปีปัญหาใจของท่านก็มีความสุขเป็นปรมังสุขขังอยู่ตลอดเวลา ใจของพวกเราสักวันหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันถ้าเรามาปฏิบัติกิจในอริยาาสัจสีนี้ให้เต็มที่คือมาเจริญมรรคนี้ให้เต็มที่มาเจริญทานศีลภาวนาที่เป็นมรรคที่มีองค์แปดนี้ให้เต็มที่มีสมบัติเข้าของเงินทองเท่าไหร่ก็สละไปให้หมดแล้วก็ออกไปบวชถือศีลกันถือศีล แล้วก็บาเพ็ญภาวนาจเจริญส ม, มถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็คือการจเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เรียกว่าส ม, มาถะภาวนาสัมมาจิติสัมมาสังกรปรก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนานี้หรือศีลสมาธิปัญญาคือมรรคที่มีองค์แปนี้ พอได้บำเพ็ญแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะบรรลุเป็นพระอาราธนาสาว ก, กันทั้งหลายอยางที่พระอารานตสาวกทั้งหลายได้บรรลุ ก, กันมาก็เริ่มต้นจากสถานภาพอันเดียวกันกับของพวกเราเบื้องต้นก็ยังเป็นคารวะของเรือนอยู่มีทรัพย์สมบัติมีเข้าของเงินทองต่างๆมากมายกายกองได้เห็นแล้วว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้ก็เลยสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ออกบวชกันออกไปรักษาศีลออกไปบำเพ็ญจิตตะภาวนาจเจริญสติจเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด พวกเราถ้าบำเพ็ญแบบเดียวกันทำแบบเดียวกันก็จะได้ผลแบบเดียวกันถ้าอยากได้ผลแต่ไม่บำเพ็ญก็จะไม่ได้ผลอยู่ดีเพราะผลไม่ได้เกิดจากความอยากได้ผลผลเกิดจากการบำเพ็ญเหตุที่ทำให้เกิดผลขึ้นมาก็คือการบำเพ็ญทานศีลภาวนานี้เองเรียกว่าเป็นการเจริญมรรคที่เนื้ององแปดให้สมบูรณ์ถ้ามีมรรคแล้วก็จะ รู้ทุกละสมุทยทํานิโรธให้แจ้งได้ทําภารกิจในพระพุทธศาสนาให้เสร็จสิ้นได้คือให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ยุติจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นพระพุทธเจ้าพาาระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็ได้ทาหน้าที่ของท่านแล้ว คือนำเอาพระอริยสัจ ส, สี่นี่มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ไม่รู้กันตอนนี้พวกเรารู้กันแล้วว่าจะต้องปฏิบัติกิจในพระกิจในอริยสัจ ส, สี่อย่างไรอยู่ที่เราว่าเราจะปฏิบัติกันหรือไม่ถ้าเราปฏิบัติเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้ผล และหลังจากที่เราตายไปจากชาตินี้แล้วโอกาสอย่างนี้จะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นได้อีกเมื่อไหร่เพราะการเกิดของพ่อพุทธศาสนานี้เป็นเป็นสิ่งที่ยากมากน า, นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งแล้วเกิดแล้วก็อยู่ไปไม่นานอย่างพรอพุทธศาสนานี้ก็จะอยู่ไปไม่เกินห้าพันปีแล้วการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งก็ไม่ใช่เป็นของง่าย เกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาเช่นมาเกิดไปเกิดอยู่ในประเทศที่มีศาสนาอื่นก็จะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาหรือพบก็จะไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเพราะถูกศาสนาที่ตนเองนับถืออยู่นั้นครอบงำเอาไว้นอกจากว่ามีปัญญามีสัมมาทิฏฐิที่แรงกล้าเช่นชาวต่างประเทศบางคน ที่เกิดในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแต่มีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาที่จะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาถึงกับข้ามน้ําข้ามเรือข้ามทะเลเพื่อที่จะมาศึกษามามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้บุคคลเหล่านี้เขาเป็นผู้ที่มีปัญญามากเขาเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาไม่เหมือนกับพวกเราที่อยู่ในแดนของพระพุทธศาสนา แต่กลับไม่เห็นคุณค่าเหมือนกับที่เข้าเห็นกันยังไม่ยอมสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกันยังไม่ยอมออกบวชกันถึงแม้ว่าจะบวชเพียงชั่วข้าวก็ยังไม่ยอมบวชอย่างเช่นในปรรษานี้น่าจะลองบวชกันสักสามเดือนดูก็ยังดีจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรบ้างอย่างนี้ก็ยังไม่ยอมทํากันแสดงว่าโง่มากไม่มีปัญญาคนมีปัญญานี่เขา เกิดในแดนของศาสนาอื่นเขายังแหวกว่าออกจากการครอบงำของศาสนาอื่นเพื่อเข้ามาหาศาสนาพุทธเลยแต่พวกเรานี่อยู่กับศาสนาพุทธมาตั้งแต่เกิดกลับไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาดัง น, นั้นเราต้องพลิกแล้วเราต้องปรับตัวเราเองแล้วต้องแก้ความโง่ของเราแล้วทำให้มันฉลาดด้วยการออกบวชกันเรื่อต้นก็เอาวันอาทิตย์วันหนึ่งมันก็ยังดี ถือศีลบวชกันบ้างวันวันพระวันโกนี่เอาสักวันหนึ่งถือศีลแปดกันอันนี้ก็เรียกว่าบวชแล้วเพียงแต่ว่าบวชชั่วคราว ม, มาดูหนังตัวอย่างก่อนถ้าดูหนังตัวอย่างแล้วถ้าชอบจะได้จะได้ดูหนังจริงจะได้ไปซื้อแผ่นจริงมาดูเวลาไปที่ร้านก็ขอดูตัวอย่างก่อนดูเรื่องนี้ดีไหมอ๋อถ้าดีก็เดี๋ยวก็ซื้อมาเลย อันนี้ก็เหมือนกันลองมาบวชกันดูลองมาอยู่แบบนักบวชกันดูสักวันหนึ่งทำไปเรื่อยๆ แ, แล้วต่อไปก็จะเกิดความยินดีเกิดความชอบจะเห็นคุณค่าของการบวชเห็นคุณค่าของการทำจิตใจให้สงบเห็นคุณค่าในของการหยุดความอยากในกามคือการมรรตันหาภาวะตัหาวิภาวะตันหาแล้วเราก็จะได้ ก้าวหน้าต่อไปจนในที่สุดเราก็จะออกบวชได้อย่างเต็มรูปแบบและรับผลของการบวชที่เต็มรูปแบบนี้ได้อย่างเต็มที่เลยการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากระังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปการปฏิอ e ิจิต um ังปฏิตังปุมหังคิปะเมวะสมิจโตสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติ ภราสอยาถาสภิติโยวิวาชนตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวะพวันตารายยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานสีนิสะนิจังวุทธาปจายโนจตารโธมาวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลาง ท่านที่มาที่หลังจะเข้ามาถวายของมารับหนังสือซีดีก็เชิญเข้ามาได้ <c oughs> อ๋อมีคำถามอะไรไหัหย อจจิเเ้าวร่ก็เจริญไปตามขั้นตอนของเรามากมันมีสามขั้นขั้นทานขั้นศีลขั้นภาวนาคือจะว่าเจริญไปพร้อมๆกันก็ได้แต่มันก็ต้องเจริญให้มันสมบูรณ์เช่นทานเบื้องต้นเราอาจจะสละร้อยละสิบเราก็อาจจะรักษาศีลได้ร้อยละสิบ ภาวนาได้ร้อยละสิบถ้าเราสละทานมากขึ้นเราก็จะรักษาศีลได้มากขึ้นภาวนาได้มากขึ้นมันก็เป็นเหมือนว่ามันไปด้วยกันนี่แหละไปพร้อมๆกันได้เช่นถ้าเราอบัญชละทานได้ร้อยละห้าสิบเราก็จะรักษาศีลได้ร้อยละห้าสิบเพราะเมื่อใจเราไม่อยากได้เงินได้ทองการรักษาศีลก็จะง่ายมากขึ้นการที่เราสละ รับได้ทำทานได้ก็แสดงว่าเราไม่มีความอยากได้ทรับมากเราก็จะรักษาศีลได้ง่ายคนที่อยากได้ทรับมากมากนี่จะรักษาสีนยากเพราะอยากจะได้เงินง่ายๆเร็วๆอดังนั้นทานนี้เป็นการเอื้อต่อการรักษาศีลการรักษาศีนก็เป็นการเอื้อต่อการภาวนาเป็นเป็นทานเป็นธรรมที่สนับสนุนกันเหมือนขั้นบันได ถ้าทําทานได้ครบร้อยก็จะรักษาศีลได้ครบร้อยอย่างผู้ที่ออกบวชกันนี้สละสมบัติเข้าวของเงินทองพระพุทธเจ้าก็สละราชสมบัติกูบาอาจารย์ต่างๆที่เรากราบไหว้บูชาท่านก็ออกเรือนออกบวชกันมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเท่าไรท่านก็สละยกให้ก็เรือนไปหมดท่านก็จะมีเวลามาบําเพ็ญภาวนาได้เต็มร้อย ดันมันขึ้นอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเราคือฐานว่าเราสละได้มากน้อยเพียงไรเช่นถ้าเราสละเราเคยทำงานเจ็ดวันต่ออาทิตย์เราหยุดทำาค่หนึ่งวันอย่างงี้ยหยุดหาเงินท่่หนึ่งวันเอาเงินมาทำบุญเราก็อยู่บ้านรักเมาอยู่วัดหรืออยู่บ้านรักษาศีลแปดได้บาเพ็ญภาวานาได้เพราะเรามีเวลาว่างไม่ต้องไปทำมาหากินถ้าเรายังทำมาหากินแบบตัวเป็นเกลียวอยู่นี่ บางทีบางคนทำงานปีหนึ่งหยุดแค่สามวันตุ่จีนถึงจะหยุดยถ้าไม่ตุดจีนก็ทำงานเปิดร้านมันอยู่ทุกวันอย่างนี้ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญมารักษาศีลได้ดังนันก็อยู่ที่ว่าเราจะสละทรัพย์ได้มากน้อยเพียงไรลาความอยากได้ทรัพย์มากน้อยเพียงไรงงเรตทำหน้าที่กาดูคนใเป็นเนื้อเอ็นจ แล้วพอบางทีถทาปัญหาที่ ว, นานาาททวามก็เพราะว่าเรากินยาไม่ถูกเวลาไงยานี่มีไว้สำหรับรักษาโรคถ้าโรคไม่มันไม่เป็นโรค ก, ก็อย่าไปกินมันเตรียมยาไว้เท่านั้นเองการพิจารณานี้เหมือนเป็นการเตรียมยาไว้โลกการพิจารณา อ, าอาสุภะนี้ก็เพื่อมาดับการมาราคะการอารมณ์เวลาไม่เกิดการอารมณ์เวลากินข้าวไปพิจารณามันทาไม มันไม่มันมันก็จะทําให้ไม่กินข้าวไม่ลงได้กินยาไม่ถูกเวลากอยากต้องกินเวลาที่เกิดการอารมณ์อยากจะไปออกไปมีแฟนมีแฟนคนเดียวยังไม่พออยากจะไปหาแฟนอีกคนอย่างเงี้ยอตอนนี้ควรจะพิจารณาได้แล้วหรือถ้ายถือศีลแปด น, นี้แล้วเกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็ต้องพิจารณาไม่งั้นเดี๋ยวย่องไปนอนกัน ธรรมะแต่ละชนิดนี้เป็นเหมือนยาที่แก้โรคแต่ละชนิดเนี่ยเวลาเราปวดหัวเราก็กินยาแก้ปวดหัวปวดท้องเราก็กินยาแก้ปวดท้องต้องกินยาให้ถูกกับโรคต้องใช้ธรรมะคือปัญญาให้ถูกกับโรคเช่นถ้าเรามีความมีความโกรธแล้วก็ต้องใช้เมตตาแผ่เมตตาให้อภัยความโกรธก็จะดับไป เวลาเกิดการอารมณ์เราก็ต้องพิจารณาอสุภะเวลาเกิดการอยากจะรับประทานอาหารที่มากเกินไปเกินเวลานอกเวลาอย่างนี้เช่นถือศีลแปลดตกเย็นก็อยากจะกินอาหารนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานยิ่งนึกก็ยิ่งหิวใหญ่ทัานก็ให้แก้ ด, ด้วยการให้นึกถึงอาหารที่เข้าไปในปากแล้วเคี้ยวถูกเคี้ยวบวดกับผสมกับน้ําลายแล้วกําลังอร ե ตอร่อย ลองคายออกมาใส่จานใหม่แล้วตักเข้าไปกินใหม่ดูไม่ว่าจะกินได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะหาอยากกินขึ้นมานี่เรียกว่าอาหารเลยปฏิกูลรสัญญาการดูความเป็นปฏิคูลของอาหารต้องดูให้มันถูกเวลาถ้าดูจกนกระทั่งกินไม่ลงก็ต้องหยุดดูมีบางคนปฏิบัติไปแล้วเห็นอาหารทีไรก็เห็นว่ามันเป็นอุจจาระขึ้นม า, าทันที กินไม่ลงอันนี้ก็ต้องหยุดเหมืนอย่าไปเวลากินแล้วนั้นก็ต้องท่องพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึ ง, งเดี๋ยวมันกินไม่ลงหรือไม่ช่นนั้นก็ต้องใช้ปัญญาว่าอาหารนี่ก็เป็นเพียงธาตุสี่ น, นิ่น้าลมไฟร่างกายนี่ก็เป็นธาตุสี่นิ่งน้ำลมไฟเป็นการเติมธาต์ต่อธาต์เ ท, ท่านั้นเองแต่อันนี้ก็จะกินแบบแบบเราเติมน้ํามันลถอย่างเนี้ยถึงเวลาก็เติมน้ํามันบ๊มน้ํามันจะ ชนิดไหนปั๊มไหนยี่ห้อไหนก็ไม่สําคัญขอให้มันเติมแล้วรถวิ่งได้เหมือนกันก็ใช้ได้อาหารเมื่อถึงเวลาจะต้องเติมให้ร่างกายก็เติมมันเข้าไปจะอร่อยหรือไม่อร่อยจะถูกปากหรือไม่ถูกปากก็ไม่เป็นปัญหาอะไรให้มันมีเชื้อเพลิงให้มันอยู่ต่อไปได้เท่านั้นเองนี่คือวิธีการการจเจริญทำแต่ละบทนี่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนคอยเตือนมันจะเลยเถิดไปทุกทุกรายไป ถ้าพิจารณาความตายมากๆเดี๋ยวก็คิดอยากจะฆ่าตัวตายกันขึ้นมาก็มี้แต่อย่าคิดอยากฆ่าตัวตายก็ต้องหยุดละต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองละต้องเปลี่ยนบทการเจริญวิยนญาเกินเกินขนาดเนี่ยแพ้ยายาแทานที่จะเป็นคุณก็กลับกลายเป็นโทษได้การปฏิบัตินี้จึงจําเป็นอย่างมากที่ต้องมีกูบาอาจารย์ที่ได้ผ่านมาแล้ว ของสำหรับคนส่วนมากคนบางคนนี่อาจจะเป็นกรณีพิเศษที่มีสติปัญญาความรู้ความฉลาดพอสมควรพอที่จะรู้จักประมาณรู้จักเหตุรู้จักผลบุคคลเหล่านั้นก็อาจจะสามารถปฏิบัติไปโดยไม่มีครูบาอาจารย์แต่ก็ยังต้องมีแนวทางมีคำสอนเป็นผู้นำเป็นผู้นำพาอยู่เช่นศึกษาจากพระไตรปิฎกศึกษาจากหนังสือต่าง เนื่องจากว่าไม่มีโอกาสได้เข้าอยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็ก็ต้องอาศัยความฉลาดความมีเหตุมีผลของตนเองประครับประคองไปแต่ถ้าได้อยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์ก็จะทําให้การปฏิบัติคืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็วไม่ติดอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แล้วจะมีกับดักทุกขั้นตอนขั้นทานก็มีกับดักขั้นศีลก็มีกับดัก ขั้นภาวนาก็มีกับดับขั้นสมาธิก็มีกับดักมันมีขั้นปัญญาก็มีกับดักเพราะว่าทางนี้เราไม่เคยไปแล้วจิตของเรานี่ส่วนใหญ่มันมากจกชอบทำอะไรแบบสุดๆทำไปแบบสุดโต่เกินพระ อ, อ, อาจารย์หนึ่งต้องสอนว่ามัชชิมาทางสายกลางคนเราเนี่ยสมัยนี้ก็ดับความทุกข์ด้วยสองวิธี วิธีหนึ่งก็หาความสุขชนิดต่างๆมาบำรงบำเลอลเรียกว่าใช้การมาดับความทุกข์ใจอีกพวกหนึ่งก็ใช้การทารามาร่างกายมาดับความทุกข์ใจทรมานตอนเองไม่ใส่เสื้อผ้าไม่โกนไม่โกนหนวโกนเขา่าไม่อาบน้าอาบท้าไม่กินข้าวทีละ ห, หลายวันยืนบนนั่งยืน นั่งบนบนที่นั่งที่มีน้ํามีของแหลมทิ่มแทงอันนี้เป็นการทารมานโดยไม่ดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนการจะดับความทุกข์ต้องหยุดความอยากกามาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาไม่ใช่การทําตามกามาตัญหาอย่างที่คนสมัยนี้เขาดับความทุกข์กันเวลาอยู่บ้านเศร้าส้อยหงอยเหง า, าเบือ่อก็ออกไปเที่ยวกันข้างนอกไปเดินไป ด, ไปดูไปฟังไปรับประทานกัน มันก็ดับมันก็กบความทุกข์ไว้มันไม่ได้ดับความทุกข์เรากลับมาถึงบ้านก็เป็นเหมือนเดิมอยู่บ้านไม่ติดกันถึงอยู่บ้านไม่ติดบ้านกันต้องคอยออกนอกบ้านอยู่เรื่อยๆนี่ก็คือเพราะอําอนาจของการมาตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสทําให้อยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านมันไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆให้ดูให้เห็นนั้นเงีงก็เลยต้องออกไปนอกบ้านแต่ การเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็ไม่ได้เป็นหยุดการมาตัญหาอีกเพียงแต่ไปกบมันไว้เท่านั้นเองพอสักพักหนึ่งมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่เหมือนเทน้ำมันลงไปในกองเพลิงกองไฟเยลาเทน้ำมันลงไปใหม่ๆน้ำมันมันก็เหมือนกันน้ำมันเวลาไม่ร้อนมันก็เหมือนกันน้ำเราก็ทําถ้าจะทําให้ไฟดับแต่พอน้ํำน้ํามันมันเริ่มร้อนขึ้นมามันก็ลุกขึ้นมาใหม่แรงกว่าเดิมเ การทําตามความอยากนี้ไม่ได้ไปดับความทุกข์แต่กา ร, การไปทําให้ความทุกข์นี้มีเพิ่มมากขึ้นไปเผานานขึ้นไปอีกเป็นการเติมเ ช, ช, ชื้อไฟให้กับความทุกข์วิธีจะดับความทุกข์ก็ต้องเป็นทา ง, ทางสายกลางอย่างที่ได้แสดงไว้คือทางสิงภาวนาหรือมักที่มีองค์แปดนี้ทางนี้เป็นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวท่านนั้นเป็นผู้ที่ได้ค้นพบ ก่อนหน้านั้นก็มีทางสุดตรงอยู่สองทางพวกหนึ่งก็หาความสุขจากลาบยศนรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสอีกพวกหนึ่งก็ออกบวชแล้วก็ไปทรรมาณตนด้วยวิธีการต่างๆพระพุทธเจ้าก็ลองทรงลองมาหมดแนละ้วสองอดตระกายาหารถึงสี่สบเก้าวันความอยากก็ยังไม่ดับไปความทุกข์ก็ยังไม่หมดไปแต่้นที่สุด ต้องใช้เหตุใช้ผลมาวิเคราะห์หาความจริงก็ก็สองคนพบว่าความอยากมันอยู่ในใจการจะดับความอยากก็ต้องหยับดับด้วยปัญญาดับด้สติดับด้วยสมาธิพอดับได้หมดแล้วละได้หมดแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์นี้ก็เอามาเผยแผ่สสอนให้แก่ผู้อื่นได้อย่าง ถูกต้องแม่นยำผู้ที่มีมีธรรมรองรับอยู่แล้วเช่นมีสติมีสมาธิอยู่แล้วพอฟังเรื่องอริยสัจสี่ปก็บรรลุทำได้ทันทีหยุดความอยากได้ทันทีทนทเช่นพระอัญญาโกลตัญญะพอฟังอริยสัจสี่ฟังมากแปดปั๊บก็เกิดมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจงเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นอนัตตาว่าไปห้ามเขาไม่ได้ เห็นทุกข์ว่าเกิดจากความอยากไปให้เขาไม่ดับนั่นเองชอบสิ่งที่เกิดแต่ไม่ชอบสิ่งที่ดับจะก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาต้องยอมรับทั้งสองส่วนยอมรับส่วนที่เกิดและยอมรับส่วนที่ดับก็จะไม่ทุกข์ก็จะไม่มีความอยากไม่ให้ดับก็รู้ว่าอยากไปก็ป่วยการหยาบ อยากไปก็ไปห้ามเขาไม่ให้ดับไม่ได้อยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายก็ไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าไม่อยากก็จะยับยั้งดับความทุกข์ใจได้อันนี้แหละจาเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์เวลาปฏิบัติมันต้องเห็นใจลักเห็นหนิจจังทุกขังอนันตา แล้วมันก็จะเบื่อน่ายมันจะไม่อยากได้ได้อะไรมาแล้วจะต้องทุกข์เอามาทําไมแต่ไม่เห็นเนี่ยแล้วมันบอดตาบอดได้เรามาได้ได้อะไรก็คิดว่าจะได้ความสุขใช่ไหมได้ภรรยาก็จะได้ความสุขได้ภได้สามีก็คิดว่าจะได้ความสุขแต่ไม่เห็นความทุกข์ที่ตามมาด้วยมองชอบมองเหรียญด้านเดียวไม่ยอมมองอีกด้านหนึ่งกัน มองแต่ด้านบวกไม่ยอมมองด้านลบคนเขาก็เลยกล่าวหาว่าศาสนาพุทนี่เป็นศาสนาที่มองแต่ด้านลบก็ต้องมองด้านลบบางสิ่งมันถึงจะได้เห็นความจริงอย่างครบถ้วนแอ้พวกเราชอบมองแต่ด้านบวกด้านเดียวมันก็เลยถูกถูกถูกความจริงหลอกอถูกความหลงหลอกทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาไปเจอความจริงเข้าชีวิตของเรามันไม่มีด้านเดียวมันไม่ใช่ด้านบวกด้านเดียวมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ถ้าเรามองเห็นทั้งสองด้านเราก็จะไม่หลงเราก็จะได้ไม่ไปยึดไปติดกับชีวิตทุกวันนี้เราไปยึดไปติดกับชีวิตคิดว่ามีชีวิตแล้วจะมีแต่ความสุขมีความสุขแล้วมาบ่นว่าทุกข์กันทำไมเวลาแก่ก็ทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์เวลาตายก็ทุกข์เวลาไม่ได้ทำอะไรตามใจอยากก็ทุกข์ทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้ยังอยากจะอยู่กันยังอยากจะกลับมาเกิดกัน เพราะไม่เห็นด้านลบนั่นเองพระพุทธศาสนาจึงต้องมาสอนด้านลบเพราะไม่มีใครยอมมองด้านลบกันคนไม่รู้ก็เลยมาว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่มองโลกในแง่ร้า ย, ายมองมองโลกในแง่ลบความจริงไม่ได้มองมองความจริงมองในส่วนที่ไม่มองกันเพืใจจะได้เข้าสู่ ความจริงได้อย่างเต็มที่เห็นความจริงอย่างเต็มที่ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมานอก็จะเบื่อกับการเกิดเบื่อกับการ ก, กับการอยากได้สิ่งต่างๆเบื่อแล้วหยุดความอยากได้แล้วก็ดับความทุกข์ได้หมดความทุกข์ไม่ต้องกลับมาเกิดได้การไม่กลับมาเกิดก็ไม่ได้หมายความว่าเราหายไปไหนใจของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่เดิม ใจของเราตอนนี้อยู่ตรงไหนตอนที่เราหยุดความอยากหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ใจนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนใจมีที่อยู่ของตนเราเรียกที่อยู่นี้ว่าโลกทิพย์เท่านั้นเองแต่ใจนี้มันเปลี่ยนได้เท่านั้นเองเปลี่ยนจากทุกข์มากเป็นทุกข์น้อยหรือเปลี่ยนจากไม่มีความทุกข์ได้การเปลี่ยนไปของใจเปลี่ยนอยู่ในเรื่องของความทุกข์นี้เท่านั้นเองแต่เรื่องเรื่องการหายไปไหนไม่มีวันหาย มีร่างกายก็ไม่หายไม่มีร่างกายก็ไม่หายมีอยู่เหมือนเดิมเท่าเดิมมีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์เท่านั้นเองถ้ามีร่างกายก็ทุกข์ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ทุกข์เชี่นใจของ พ, พระพุทธเจ้า ต, ตอนนี้ของพระ อ, อาลานตัสสาวงทั้งหลายตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่เหมือนกับตอนที่มีร่างกายแต่ว่าตอนนี้ไม่มีร่างกายต้องมาแบบ ร่างกายนี้ท่านเรียกว่าเป็นพาร่าฮาวเอเป็นภาระที่หนักอย่างยิ่งเราวันนึ่างนี้ครึ่งหนึ่งของชีวิตเรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของของเวลาของชีวิตเราเนี้ยเราหมดไปกับการแบกหามร่างกายอนี้ดูแลรักษาร่างกายนี้คนที่ไม่มีปัญญาก็จะมองไม่เห็นกันแบกกันไปอยู่เรื่อยพอไม่มีอันนี้ก็ไปหาอันใหม่มาแบกต่อ รู้สึกว่ามันเวลามันไม่มีแล้วมันเบาเกินไปมันไม่ทุกเรารู้สึกว่ามันผิดแปลกไปต้องหาความทุกข์มาใส่หัวอยู่เรื่อยๆใส่หัวใจอยู่เรื่อยๆอยู่คนเดียวก็ต้องไปหาคู่มาแบกกันพอมีคู่แล้วก็หาลูกมาแบกเพิ่มอีกแล้วก็หาสมบัติมาแบกกันอีกหายศหาอะไรมาแบกกันอีกพอเวลาตายจากกันไปก็ เศ้าสูกเสียใจแบกกันอีกแบบหนึ่งแบกกันอยู่ตลอดเวลาเวลามีก็แบกเวลาไม่มีก็แบกแบกความทุกข์อยู่เรื่อยๆเวลามีก็ทุกข์เพราะความกลัวว่ามันจะหมดกลัวว่ามันจะหายไปเปลี่ยนไปเวลามันหายไปเปลี่ยนไปก็ทุกข์อีกเวลาไม่มีก็ทุกข์อีกทุกอยากจะได้อยากจะมีกับเขาเห็นเขามีก็อยากจะมีก็ทุกข์อีกพอได้มาก็ทุกข์อีก พอเสียไปก็ทุกทุกอยู่ทุกทุกขั้นตอนเพราะความอยากนี้เท่านั้นเองเวลาไม่มีก็อยากได้พอมีแล้วก็อยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆเวลาหมดไปก็อยากจะให้กลับมามันก็ทุกอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่ทุกได้อะไรมาก็ไม่ทุกไม่มีก็ไม่ทุกนั่นขอให้เรา ศึกษาแล้วถ้าเราปฏิบัติก็ถ้ามีครูบาอาจารย์ก็ควรที่จะเข้าหาอยู่เรื่อยๆไม่จำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันก็ได้ขอให้มีผู้ที่ให้คำปรึกษาเวลาที่เราปฏิบัติแล้วไปติดอยู่ตรงไหนรู้สึกว่าไม่กล้าวหน้าก็ควรที่จะเข้าหาหรือถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็ใช้การฟังเทศฟังธรรมของท่านไปพระเจ้าสงสารว่าควรจะฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ กาเลนะธรรมมสวนนังเอตัมมังกัลลุมตัมังการฟังธรรมอยู่เรื่อยเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเรื่องที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วถ้าได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดำับและก็จะกาจัดความสงสัยต่างๆได้ทาให้มีความเห็นที่ถูกต้อง และทําให้จิตใจผ่องใสจิตใจสงบเย็นสบายนี่คืออา น, นิสงส์ของการฟังเทศฟังธรรมการอยู่กับครูบาอาจารย์นี้ท่านจะถือการสอนนี้เป็นแักครูบาอาจารย์ที่ที่เป็นอาจารย์จ ร, จริงๆนี้จะถือเรื่องการสั่งสอนนี้เป็นภารกิจที่สําคัญที่สุดสาหรับลูกศิษย์ท่านจะคอยเรียกเข้ามาอบรมอยู่เรื่อยๆ สีห้าวันถ้าท่านว่างไม่มีติดภารกิจก็จะเรียกประชุมอบรมสั่งสอนพูดทำแสดงทำให้ฟังกันเพราะการได้ฟังอยู่เรื่อยๆก็เหมือนกับการดูแผนที่อยู่เรื่อยๆเวลาเราขับรถเดินทางไปในทางที่เราไม่เคยไปถ้าเราไม่คอยเปิดแผนที่ดูเดี๋ยวพอถึงทางแยกก็เลยไปแล้วก็จะเสียเวลาต้องย้อนกลับมาใหม่หรือไปผิดทางกว่าจะมารู้ว่าไปผิดทางก็โอ้เลยไปต้องหลายชั่วโมงต้องย้อนขับรถกลับมา แต่ถ้าคอยเปิดแผนที่ดูอยู่เรื่อยๆพอถึงทางแยกตรงไหนปับต้องดูก่อนก่อนจะถึงทางแยกก็ต้องดูแลดูว่ า, าไปถูกทางหรือเปล่าสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการดางการทางด้านการบอกทางในนี้รถยนต์มีเครื่องมีแผนที่บอกทางโดยอัตโนมัติเพียงแต่บอกจุดหมายปลายทางว่าเราจะไปตรงไหนเท่านั้นเขาจะเลือกทางที่สั้นที่สุดที่สะดวกที่สุดให้กับเรา ยิ่งสมัยนี้ยิ่งถ้าเป็นแบบที่แบบออนไลน์แล้วก็เ่าจะบอกเลยว่าเส้นนี้มีปัญหาหรือเปล่ารถติดหรือเปล่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่าถ้ามีก็ให้เดีกเลี่ยงใช้ไปใช้เส้นทางอื่นได้เลยไ อ, ไอเทคโนโลยีนี้มันก็ดีเหมือนกันแต่มันก็เสียตรงที่ทำให้เรากลายเป็นคนซื่อบื้อไปคิดเองไม่เป็นต่อไปถ้าเกิดเทคโนโลยีเครื่องมันเสียก็ไม่รู้จะไปไปยังไงก็ไปไม่ได้ ก็อย่าไปหลงกับมันมากจนเกินไปเขอให้คิดว่ามันเป็นเครื่องมือเสริมในการเดินทางของเราแต่เราต้องสามารถเดินทางไปได้โดยที่ไม่มีมันถ้าเกิดเครื่องมันเสียเราเราไปไม่ได้เล ย, ยนี้แสดงว่าเราแย่มากเราต้องมีวิธีอสำรองเราต้องกลับมาดูแบบเดิมได้ต้องกลับมาเปิดแผนที่ที่เป็นกระดาษดูได้การอยู่กับครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันก็เหมือนกับมี มีเครื่องไม้เครื่องมือที่คอยบอกทางให้เราอยู่ทุกระยะแต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสูตรต่างๆหรือคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ได้มีการจดบันทึกเอาไว้เป็นหนังสือก็ดีหรือเป็นเสียงก็ดีเราก็ต้องคอยเปดิดคอยฟัง ย, ยูเรื่อยๆต้องมีแผนสำรองแผนรองรับเวลาถ้าครูบาอาจารย์ท่านตายไปจะทำยังไงท่านไม่อยู่กับเราไปตลอด เช่นดวงตานี้ท่านจากพวกเราไปแล้วแต่ธรรมะที่ท่านสั่งสอนให้กับพวกเรานี่มีอยู่มากมายก่ายกองยังทําหน้าที่แทนท่านได้อย่างเต็มที่เลยพวกเราไม่ยอมก็ไปหาแผนแผนละแผนสํารองกันเคยติดอยู่กับแผนแผนที่อยู่ใกล้ตัวท่านพอไม่มีท่านแล้วก็ไม่รู้จะไปหาที่พึ่งที่ไหนความจริงเนี่ยหนังสือของท่านเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ดีเทปซีดีต่างๆนี้เป็นที่พึ่งได้เหมือนกับตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ เราต้องรู้จักการหาหาหาหาแผนที่เนี่ยอย่าไปติดอยู่กับแผนที่แบบใดแบบหนึ่งพอแผนที่แบบนั้นเสียไปก็ไม่รู้จะไปหาแผนที่ที่ไหนแล้วเถ้าเครื่องในรถเสียก็ไม่เป็นไรเปิดแผนที่กระดาษได้มีกระดาษรับเก็บไว้ในรถก้ามาเปิดดูได้ถ้าไม่มีแผนที่ก็หยุดถามคนได้ขับรถไปถึงสีแยกก็ถามคนได้ว่า ทางนี้ไปทางไหนกันอย่าไปแบบสุ่มเดาไปการสุ่มเดาไปนี้ไม่ได้เป็นวิธีที่จะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทาง mm hmm. ดังนั้นต้องคอยศึกษามันศึกษาอยู่เรื่อยๆเพราะวาถ้าศึกษาโดยไม่การปฏิบัติก็เหมือนกับการเดินทางโดยที่ไม่มีแผนที่ไม่มีเครื่องนาทางต้องศึกษา ท่ากษทานท่านทรงสอนสามขั้นตอนปริยัตปฏิบัตปฏิเวทปริบัตป ป, ปริก็คือการศึกษาแผนที่ปฏิบัตก็คือการเดินทางปฏิเวทก็คือการเดินถึงจุดหมายปลายทางถ้ามีปริยัตปฏิบัตปฏิเวทก็จะเป็นผลที่ตามมาถ้ามีปริยัตไม่ปฏิบัตก็ไม่มีปฏิเวท ถ้ามีปฏิบัติไม่มีปริยัติก็ไม่มีปฏิเวรเหมือนกันหรือมีก็อาจจะช้าเพราะว่าต้องลองผิดลองถูกอย่างพระพุทธเจ้านี้ไม่มีปริยัติไม่มีครูอาจารย์คอยสั่งคอยสอนต้องลองผิดลองถูกเองถึงช้าถ้ามีครูบาจารย์นี่เหลือถ้าออกบวชนี่ภายในเจ็ดวันปัญญาของพระพุทธเจ้านี้บรรลุได้อย่างแน่นอนหรืออาจจะก่อนเจ็ดวันก็ได้ เพียงฟังธรรมจากพระอาหารหันต์หรือพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะบรรลุได้เลยแต่ท่าไม่มีกูบาลอาจารย์ท่านเลยต้องค้นหาทางเองลองผิดลองถูกเองมาถึงสามแยกก็ต้องไปมันทั้งสามทางเลี้ยวซ้ายลองดูก่อนเอาไปถึงทางตานก็กลับมาเลี้ยวขวาก็ไปเจอทางตา น, นอาีกก็ตรงตรงไปก็ต้องทําอย่างนี้ไปทุกทุกทางแยกจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง ก็ต้องช้าอย่างแน่นอนไม่เหมือนกับคนที่มีแผนที่มีคนบอกทางมาถึงก็ไม่ต้องลองไม่ต้องเลี้ยวซ้ายไม่ต้องเลี้ยวขวาตรงไปเลยตรงไปปั๊บก็ถึงจุดหมายปลายทางเลยดังนั้นอย่ามองข้ามมองข้ามปริยัติไปไปนอนกลางเพียงแต่ว่าอย่าไปติดที่ปริยัตอย่างที่เขาเป็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้เรียน ป, ปริยัติกันแล้วก็ไม่ปฏิบัติกันเรียนจบปริยันติปริยันก้าว ก็ได้รับเกียรติยศได้รับได้ได้รับพัยศได้เงินเดือนก็เลยข้ามปฏิบัติไปเป็นอาจารย์สอนต่อไปเลยข้ามปฏิบัติข้ามปฏิเวทเพราะได้รับปริญญาแล้วได้ใบประกาศฉนบัติแล้วว่าได้จบปรเด็นเก้าแล้วจบพระไตรปิฎกแล้วแต่ก็จดแบบใบรานเปล่าจดแบบว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติภารกิจในอริยสัจสี่ไม่ได้ศึกษาทุกไม่ได้รู้ทุก ไม่ได้รู้ต้นเหตุไม่ได้ละตัณหาต้นเหตุของความทุกข์ไม่ได้ทำาน้โรยความดับทุกข์ให้แจ้งไม่ได้เจริญมักให้เต็มที่ถ้าไม่ได้ทำภารกิจในศาสนาพุทธในในอริยศาสี่นี้ก็จะไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติกิจของพุทธศาสนาได้สำเร็ จ, จเรียนจบประเดนเก้าแล้วก็ไปรับหน้าที่สั่งสอนผู้อื่นต่อไปก็สั่งสอนแบบใบลานเปล่า สอนได้แต่ปฏิบัติไม่ได้สอนอริยสัจสี่ได้แต่ละตัณหาไม่ได้เจริญมรรคไม่ได้นี่คือปัญหาของพระพุทธศาสนาทุกวันนี้หลงทางกันถ้าปริยัติก็ปริยัติไปอย่างเดียวไม่ปฏิบัติเลยบางพวกก็ปฏิบัติก็ไม่ศึกษาไม่ปริยัติเลยบวชได้วันเดียวก็ออกไปตั้งสำนักเป็นเจ้าสำนักเป็นครูเป็นอาจารย์นะ ชอบเป็นอาจารย์กันไม่ชอบเป็นลูกศิษย์ไม่ชอบเป็นนักศึกษากันเป็นอาจารย์มันได้ประโยชน์มากกว่าได้ลาบส ก, กาละได้คนกราบไหว้บูชามีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตาขอให้พูดเก่งๆเท่านั้นเองขอให้รู้ให้รู้ธรรมที่ได้ได้ได้ยินได้ฟังมาแล้วเอามาพูดท่านนี้ก็พอละคนฟังก็ติด อ, อกติดใจกันหลงกราบไหว้บูชาคิดว่าเป็นผู้วิเศษกัน แต่พอเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาก็สู้กันไม่ได้ในที่สุดก็ต้องตายเพราะกิเลสตัณหานี่เองแต่ถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนบรรลุแล้วกิเลสจะไม่มีวันที่จะมาทำลายได้เลยเพราะท่านได้ทำลายมันหมดแล้วฆ่ามันหมดแล้วบางทีมาศึกษามาปฏิบัติก็ลืมเป้าหมายที่แท้จริงว่ามาละกิเลสกัน บางทีมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อที่จะมาสร้างกิเลสกันอยากเป็นใหญ่เป็นโตกันอยากเป็นครูเป็นอาจารย์อยากจะมีลูกศิษย์ลูกหากันแล้วมันก็มาแย่งลูกศิษย์ลูกหากันอาจารย์ของฉันดีกว่าของเธออาจารย์ของเธอสู้ของฉันไม่ได้กลายเป็นอย่างนั้นไป เราต้องเข้าใจว่าเราศึกษาปฏิบัติเพื่อตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความอยากต่างๆเพื่อดับความทุกข์ต่างๆภายในใจนี่คือผลที่เราต้องการเท่านั้นจะมีใครนับหน้าถือตาเราหรือไม่จะเข้ารบเราหรือไม่จะฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือไม่ไม่เป็นไม่ไมไมสําคัญจะถวายลาบสักการะให้หรือไม่ไม่สําคัญของพวกนี้เป็นของจิบจอยของไม่มีมัน ของที่ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้สิ่งที่จะดับความทุกข์ของภายในใจของเราได้ก็คือมรรคที่มีองค์แปนี้เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องการเมื่อได้แล้วก็ต้องเอามาใช้ดับความทุกข์ละความอยากบางทีได้แล้วก็ไม่เอามาใช้เหมือนกับมีมีดแล้วก็ไม่กล้าไปฆ่า ยังเสียดามันอยู่ยังรักยังหวงมันอยูอ่ก็มีความรู้ที่ไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรมีความรู้แล้วไม่เอามาใช้ก็เป็นความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดอยู่ดีถ้ามีความรู้แล้วเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาก็ต้องปล่อยเลยต้องตัดเลยมีภรรยามีสามีก็อย่ากันเลยต่างคนต่างอยู่กันเลยอยู่แล้วมันทุกอยู่กันทำไม มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็สลับกันไปเลยออกบวชกันเลยคนสมัยนี้เขาบันทีบรรดุแล้วก็บอกเขาพอบรรลุแล้วเขากลับไปเป็นคาวาสได้นะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้กลับ<ม>ไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทงังกลับไปหาลาบสั ก, การะได้และไม่ไม่ยึดไม่ติดละคิดไปอย่างนั้นนี่ ดูกเกลเระหลโดยไม่รู้สึกตัวคนที่ไม่ยึดติดกับลาสการะนี่เขาไม่หาลาสการะมันมามันมาก็ต้องเป็นเรื่องของมันเองเท่านั้นเองไม่ได้ไปบังคับมันให้มันมามันจะมาก็ไม่ได้เอามายึดมาติดเอามันมาก็เอาไปทําประโยชน์ต่อไปไม่ได้เอามาใช้เพื่อเสริมความสุขให้กับตนเอง เพความสุขที่ได้จากลาบส ก, การะนี้มันจิ๊บจ้อยเมื่อเทียบเทียบกับความสุขที่ได้จากการดับความทุกข์เป็นคนละโลกไปเลยความสุขใจที่ได้จากการดับความทุกข์ที่เกิดจากการปฏิบัตินี้มันยิ่งใหญ่ที่เรียวกว่าปรมังสุขขังความสุขที่ได้จากลาบยศนี้มันเป็นสุขสุขดิบดิบสุขแล้วก็กลายเป็นทุกข์ไป งนั้นอย่าลืมเป้าหมายของเราอย่าลืมเป้าหมายของการปฏิบัติของเราของการศึกษาของเราก็คือการละตันหาทั้งสามนี้เนั้นเองกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาเวลาใดที่เกิดความอยากขึ้นมาในในสามชนิดนี้ก็ให้รู้เถิดว่ากำลังหลงทางแล้วถ้าเราทำตามความคําอยากของกามตันหาภาวตันหาวิภวะตัห า, ะะหาแสดงว่าเราหลงทางแล้ว ไไม่ถูกทาง ม, มีปัญหาอีกไหมสมัยพุทธกาลพุกาลฉันฉี่จริงไม่รู้เราไม่อยู่ในสมัยพระพุทธก า, วา ล, ว, ลว่าเรถ้าใครพิดกระบุว่าทำดีอ ม, มีสมัยชีกาลจริงรนะอะไรนะ พระไตรปิฎกรบะบุว่าทํารีทอกะอะไรทํารีทอกเป็นยังไ ง, งไม่รู้รีทอกมันพระไตรปิฎกไมาเห็ น, ม ไ, นไม่เขียนไว้นี่อืมก็คุณไปค้นดูใสิพระไตรปิฎกก็มีคุณก็ไปคนได้แล้วไม่เคยอ่านเราอ่านแค่สองสามพระสูตเท่านั้นพระไตรปิฎกแต่เราไม่จริงไม่ได้ว่าไม่จริงก็ไม่รู้คุณอยากจะรู้ก็ไปคอยไปคนคว้าดูเลย พระเจ้า ก, ก็บอกแล้วว่าเวลาได้ยินได้ฟังอะไรจากใครมาอย่าเพิ่งไปเชื่อต้องไปค้นคว้าไปพิสูจน์ดูก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่จริงได้ไ ด, ไ ด, ได้เดี๋ยวจะจัดให้ฮะเดี๋ยวมีมีอยู่ที่ทางนู้นเดี๋ยวไปเอาทางนู้นก็ได้เอาว่ามา ไม่ได้เดี๋ยวก็รอก่อนกลยมีอะไรไหมอาอว่ามาชอบอ่านชอบฟังแต่ไม่ชอ บ, ชอบทำเป็นยังไงดีชอบวันนีนอ่านหนังสือแล้วก็เดินสายไปฟังแต่ไม่ชอบทำ <c oughs> ก็ต้องหัดชอบให้ได้ ขออะไรก็หัดได้ถ้าไม่ชอบก็ต้องบังคับมันให้มันชอบไม่ชอบกินอะไรก็บังคับให้มันกินอนั้นกินมันไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะชอบเองเค่นเวลาไปอยู่กับชาวเขาก็าไม่มีอาหารอย่างที่เราเคยกินมีแต่ของที่เขากินอยู่เนี่ยไม่ชอบก็ต้องกินพอ ก, กินไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะชอบเองไม่ชอบปฏิบัติก็ต้องบังคับต้องฝืนชอบไปก่อนฝืนทําไปก่อน พอทําไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะชอบขึ้นมาเองพอมันเห็นผลมันได้ผลว่าทําแล้วมันดีเช่นเวลาไปอยู่กับชาวเขาไม่ชอบกินอาหารของเขาแต่ไม่มีอาหารอื่นให้กินก็ต้องกินพอกินไปมันก็รู้ว่ากินแล้วมันก็ดีกินแล้วมันอย่างน้อยมันก็อิ่มไม่หิวพอกินไปเรื่อยๆต่อไปก็จะติดใจรสชาติของอาหารชาวเขาเองต่อไปเวลามาอยู่กับชาวบ้านชาวเมืองก็ยังต้องหาอาหารชาวเขามากินอยู พรามันชอบแล้วของทุกอย่างนี้ทำให้ชอบได้ฝึกไปเรื่อยๆฝูนไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ชอบเองถ้ามันไม่เป็นพิษเป็นภัยนะแต่ถ้ามันเป็นพิษเป็นภัยจะบังคับยังไงมันก็ไม่ชอบอย่างยาพิษนี่จะให้กินมากน้อยเท่าไหร่มันก็ไม่ชอบอยู่ดีกินแล้วมันท้องเสียอย่างนี้กินแล้วมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่อยากกินอยู่ดีธรรมะนี้ไม่ใช่เป็นยาพิษ ธรรมะนี่เป็นเหมือนอาหารทริปกินแล้วจะทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นพอปฏิบัติมากพอปฏิบัติแล้วจะเห็นว่ามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงต่อไปก็จะเกิดความชอบขึ้นมาเองต่อไปจะชอบปฏิบัติมากกว่าชอบฟังชอบฟังก็ยังฟังอยู่แต่รู้ว่าฟังอย่างเดียวไม่พอเหมือนกับไปที่ร้านอาหารแล้วไปดูรายการอาหารแต่ไม่ได้กินอาหารอย่างนี้ นั่งดูไปเรื่อยๆอาหารนี่ก็ชื่อนี้ชื่อนั้นนั่งดูไปจนวันตายมันก็ไม่มีวันอิ่มแต่พอได้สั่งอาหารมารับประทานแล้วทีนี้ก็จะไม่สนใจกับรายการอาหารนะจะรับประทานอาหารอย่างเดียวเข้าไปถึงร้านปั๊บก็สั่งอาหารเลยไม่ต้องมานั่งดูรายการนั่งเฝ้าดูรายการการฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เป็นเหมือนกับการดูรายการอาหารส่วนการปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นเหมือนกับการรับประทานอาหาร ตอนต้นก็ต้องดูก่อนว่าเขามีอาหารอะไรบ้างแล้วก็สั่งอาหารที่เราต้องการแต่เราไม่ต้องนั่งดูรายการทั้งเล่มเลยมีกี่หน้าเปิดดูกําหนดพอเรารู้ว่าอาหารที่เราต้องการแล้วครั้งต่อไปบางทีไม่ต้องเปิดเลยมาถึงก็สั่งเลยว่าเอาอาหารชนิดนี้ชนิดเนี้ยนะลองลองหัดปฏิบัติ ด, ดูลองบังคับตัวเองดูต่อไปนี้กําหนดเสียว่าตื่นขึ้นมานี้จะต้องนั่งสมาธิอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะไปทําอะไร ตอนเย็นก่อนจะนอนก็นั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงบังคับไปต่อไปมันก็จะทำได้เราทำอะไรได้มากมายกายกองไอเริ่มนั่งเฉยๆก็ น, นี่ทำไมมันนั่งไม่ได้เราไม่ใช่คนโง่ขนาดนั้นหรอกให้ไปปีนภูเขายังปีนได้หลให้ขับรถยังขับได้ให้ไปทำอะไรที่ยากแสนยากยังทำได้แต่ให้นั่งเฉยๆเพียงครึ่งชั่วโมงให้นี่นั่งไม่ได้อย่างนี้จะเรียกว่าฉลาดหรือโง่จะเก่งหรือไม่เก่ง อย่าไปหลอกตัวเองว่าเก่งนะถ้านั่งเฉยๆสามสิบนาทีไม่ได้แสดงว่าไม่เก่งเลยอนอกจากว่าจาัด ก, การติดแบบที่อยู่้ได้ น, น, น, นะคะนอกจากว่าปกติแล้วก็ปฏิบัติการพิชฌาเวลาทิ้งแต่ทีเนี้ยพอเมื่อก่อนนะคะก็จะตั้งนาฬิกาจะทิ้งชั่วโมงทิงถถ้งชั่วงนะะั่งสมาธิทิ้งชั่วโมงค่ะพอทำไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าน้อยเกินไปคะ่ะ แล้วนี้ก็เลยไม่ได้ตั้งนาฬิกาแต่แต่มันเหมือนแบบพอเราไม่ได้ตั้งนาฬิกาปุ๊บมันเหมือนมันรู้สึกไมอยากทำเหมือนมันเมื่อไได้จะตรงเนี้ยค่ะไม่ถึงทิ้งชั่วโมงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราสมควรที่จะตั้งนาฬิกาไหาคะคุณผู้ชมคือถ้าตั้งนาฬิกาแล้วมันบังคับให้เราทําแล้วก็ต้องตั้งไปก่อนแต่ถ้าเราทําได้แล้วก็ไม่ต้องไปตั้งมันเราทําไปจนกว่าเราจะทําไม่ไหวแล้วเราอยเปลี่ยน จะเดินไปจนความมันจะเดินไม่ไหวแล้วก็หยุดก็มานั่งนั่งจนกว่ามันทนนั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินแต่ใหม่ๆนี้เพื่อกําจัดความเกลียดค้านอะไรต่างๆแล้วอาจจะต้องตั้งนาฬิกาไว้ก่อนแต่มันก็มีปัญหาได้เวลาตั้งนาฬิกาแทนที่มันจะพุโทโธมันจะไปดูนาฬิกาอยู่เลยที่เราพอดถึงถ้าเราตั้นาฬิกาแล้วแบบ บางทีเรากำลังกำลังมึนอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็แบบดังซิอ่อครั้งต่อไปก็อย่าไปตั้งมันเลยต่รู้ว่าเราไม่ต้องใช้มันละถ้าเรานั่งสงบได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปตั้งมันเราก็นั่งให้มันสงบจนกว่ามันจะอยากจะถอนออกมาอยากจะลุกแล้วเราค่อยลุกการตั้งนี้เป็นเหมือนกับเป็นการกำหนดกรอบเวลาไว้ก่อนถ้าเราไม่ตั้งบางทีนั่งห้านาทีก็เลิกแล้ว มันจะไม่มีจะไม่มีความบุ๊มานะแต่พอตั้งแล้วมันถึงว่ายังไม่ถึงเวลามันก็ต้องบุ๊มานะถึงแม้อยากจะออกก็ไม่ออกแต่ถ้าเรานั่งเป็นแล้วไม่สนใจกับเรื่องเวลาแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องไปตั้งเวลาแล้วที่ตั้งที่สติเอาสติตัวเดียวสำคัญก่ออย่าไปตั้งที่นาฬิกาตั้งสติถ้ามีสติแล้วจะนั่งได้นานจะปฏิบัติได้นานที่นั่งไม่ได้นานเพราะว่าสติไม่มีควบคุมความคิด พอคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็นั่งไม่ได้แล้วมันอยากจะไปทำอย่างอื่นแล้วงั้นขอให้ตั้งที่สติเวลาที่เราจะนั่งต้องตั้งก่อนที่เรานั่งต้องต้องตั้งสติทั้งวันเลยต้องบริกรรมพุทโธไปทั้งวันไม่ว่าเราจะทำอะไรพอถึงเวลาเรามานั่งแล้วเราจะสามารถนั่งได้นานจิตจะสงบได้นานตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นแล้วพอมีสติแล้วทีนี้ไม่ต้องตั้งนาฬิกาแล้ว จะปฏิบัติไปตามธรรมชาติของมันนั่งจนกว่ามันจะทนไม่ไหวหรือบางทีบางทีมันจะทนไม่ไหวก็ฝฟืนมันต่อไปบังคับมันต่อไปสู้มันต่อไปบางทีมันก็สงบต่อไปได้อีกรอบสำหรับคนที่ยังไม่มีวินัยในตัวเองยังบังคับตัวเองไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาบังคับไปก่อนกาหนดตารางไว้ก่อนอย่างที่ไปเรียนตาม สำนักต่างๆที่เขาจัดตารางการปฏิบัติตืินเวลานี้เดินจงกรมเวลานี้นั่งสมาธิเวลานี้รับประทานอาหารเวลานี้พักผ่อนเวลานี้มันต้องมีตารางไม่งั้นเดี๋ยวจะกินจะพักผ่อนอย่างเดียว <c oughs> แ้่ถ้าเรามีวินัยในตัวเราเองแล้วเราสามารถควบบังคับให้ให้นั่งได้และให้เดินได้ให้ปฏิบัติได้แล้วตอนนั้นก็ไม่ต้องใช้นาฬิกาแล้ว เหมือนเทปูนเนี่ยเทยปูนหล่อเสาถ้าไม่มีแบบนี่เทก็ไปปูนมันก็จะไม่เกาะเป็นเสาขึ้นมาเทไปมันก็จะไหลาลาดลงมาเป็นที่พื้นหมดก็เลยต้องมีแบบหล่อไว้แล้วก็เทปูนเข้าไปในแบบพอพอปูนแข็งแล้วเราค่อยเอาแบบออกได้พอจิตเรามีวินัยแล้วควบคุมได้แล้วสั่งให้มันทำอะไรได้แล้วเราก็ไม่ต้อง ใช้กรอบแล้วไม่ต้องใช้แบบไม่ต้องใช้นาฬิกาไม่ต้องใช้ตารางปฏิบัติไปเรื่อยๆต่อไปมันจะปฏิบัติไปทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าทําภารกิจอะไรมันจะคอยเจริญสติอยู่ตลอดเวลาพอมีเวลาว่างเมื่อไหร่มันก็จะนั่งนั่งแล้วถ้ามันเมื่อยทนไม่ไหวจริงๆก็ลุกขึ้นมาเดินเดินจนกว่ามันจะ เมื่อเดินไม่ไหวก็กลับมานั่งไ่เอาละนะคิดว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเถิน